คนยากคนจนก็อยาให้ลูกไปเรียนหนังสือจะได้พ้นจากความยากจนนะจะได้ลืมตาอ้าปากได้จะได้เป็นเจ้าคนในคนอันนี้ก็คือความมุ่งหมายนะของวิชาทางโลกนะนะแต่วิชาชีวิตนะที่เชื่อพุทธศาสนาเนี่ยจุดมุ่งหมายสูงสุดไม่ใช่อย่างนั้น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 ไม่เอามันตั้งแต่แรกก็คือไม่ทำความชั่วทานศีลเนี่ยนะในบุญกิริยาวัตถุ3เนี่ยก็คือการไม่ทำชั่วและการทำความดีภาวนาคือการชำระ จ, จิตของตนให้ขาวรอบแต่ว่าในบางที่ท่านก็ในเรื่องภาวนาก็เลยเป็นไตรสิกขาไนะตรสิกขานี่ก็ศีลสมาธิปัญญา สีนี่ก็รวมสองข้อแรกในโอวัตถปฏิโมกข์คือไม่ทำชั่วทำความดีนะส่วนการชรําระจิตของตนใ้ขารอบก็ซอยมาเป็น2ก็คือสมาธิและปัญญานะสมาธิคือการฝึกจิตปัญญาก็คือการฝึกปัญญาให้เกิดความเข้าใจความจริงเห็นแจ้งในสัจธรรมนะวันนั้นเรื่องโอวัทปฎิโมกข์บุญกิริยวัตถุสาม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 วิธีการสร้างสมาธิเราเรียกว่าสมถตวิธีการสร้างปัญญาหรือเรียกว่าวิปัสนานะใครที่ได้ยินคำว่าสมัติวิปัสนาก็ให้เข้าใจนะว่ามันมันมีวัตถุประสงค์ต่างกันสมถตสมถตมุ่งให้จิตสงบคือเป็นสมาธิวิปัสนามุ่งทําให้จิตสว่างคือเกิดปัญญาแต่ทั้งสมถตวิปัสนาหรือว่าสมาธิและปัญญานี้ต้องอาศัยสตินะเป็น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 วันหนึ่งท่านก็ได้ผ้าจำนำภนษามาท่านก็ดีใจอยากจะถวายให้หลวงลุงซึ่งเป็นอุปชาของท่านสมัยก่อนในการถวายพระนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะการถวายผ้าเนี่ยเพราะว่าผ้านี่หายยากสมัยก่อนนี่ก็ต้องไปเก็บมาจากผ้าห่อศพนะถ้าได้ผ้าเนื้อดีมายิ่งยากเข้าไปใหญ่ก็ได้ผ้าจำนำภนษามาก็จะมาถวายหลวงลุง ซึ่งเป็นอุปชาแต่ท่านปฏิเสธนะเป็นเพราะว่าท่านเห็นว่าท่านมีเยอะแล้วแล้วก็อยากจะให้พระที่เป็นหลานชายนีย่ได้เก็บเอาไปใช้ราลว่าพระที่หลานชายท่านสังคราคิ ต, ตะเนี่ยก็น้อยใจนะไม่เข้าใจเจตนาของหลวงลงุงก็น้อยใจเสียใจว่าท่านไม่เห็นความสําคัญของเรานะท่านไม่ให้เกียรติเรานี ก็คิดไปอย่างนี้นะด้วยความขุนเคืองด้วยความน้อยใจก็เก็บเอาไปคิดตลอดนะแม้กระทั่งในช่วงที่กำลังปรนิบัติพัดวีหลวงลุงนะนะขณะที่พัดวีไปก็ก็นึกคิดไปนะว่าเนี่ยหลวงลุงท่านไม่เห็นคุณค่าของเราดีละนะเราจะศึกศึกแล้วนี่ก็จะเอาผ้าเนี่ยไปขายได้เงินมาก็จะซื้อแพ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 นะแล้วบ้านฉันจะถูกยึดไหมรถจะถูกยึดไหม้วถ้ารถถูกยึดบ้านถูกยึดนี่ฉันจะอยู่อย่างไรนะเป็นข้าราชการใช้ด้วยหรือว่ามีหน้ามีตาในสังคมใช้ด้วยคิดแบบนี้ไปนะมันสุดเลยนะบางคนนี่ถึงกับค่าตัวตายเลยนะทนั้งที่มันยังไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแต่ว่าความความฟุ้งซ่านมันพาไปอันนี้เราเนี่ยนะ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 ย่อมทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูนะคนผ่ามปัญญาสามเนี่ยนะเขาไม่ได้รักตัวเองเลยนะเพราะถ้าเขารักตัวเองเนี่ยเขาจะไม่ทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูก็คือทำร้ายตัวเองทำร้ายตัว อ, อย่างไรนะทำร้ายตัวเองด้วยการทำชั่วผิดศีลทำให้เกิดวิบากทำให้เกิดการแก้แค้นตามติดตามมาแต่ถึงแม้จะไม่ผิดศีล น, นะ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 ดังนถ้าเกิดอยากให้ชีวิตเรามีความสุขนะ่ยนะมันก็ต้องนะฝึกเรื่องของสติเรื่องการภาวนาให้มีความศึกตัวให้มีปัญญานะสติกับปัญญาเป็นของคู่กันอยู่แล้วดังนั้นะการปฏิบัติอย่างนี้แหละที่มทําใหนะ้การทําความเพียรของเราครบเครื่องนะปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกแล้วก็ต้องปฏิบัติให้ครบนะทั้งทานศีลภาวนาทั้งศีลสมาธิปัญญานะ